อาจารย์ที่เป็นหัวหน้าอย่างนั้นบอกโอ้คนมากจริงๆนะหลวงพ่อวันนี้ว่างั้นไม่คาดไม่คิดว่าคนจะมากขนาดนี้เราก็เลยถามเสียต้อมไปโทรศัพท์ไปบอกเขาอย่างไงไม่แล้วลงเฟ e b o ๊ k สุดแท้แต่ผู้ใดจะมาโอ้เฟ e บ o ๊ k มีอิทธิพลขนาดนี้เท่ยเหร่นี่วะ <laughs> คนเยอะหลวงพ่อก็พานาไหว้พระสวดมนต์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 คนที่มาวันจันทร์ก็ไม่มากโดยมากที่ผู้ปลดระหว่างผู้สูงอายุที่ออกจากการแต่กัคนมีคนหนุ่มบ้างปะาปายไม่มากแต่ว่าคนก็พอสมควรแต่วันอังคารเนี่ยเพราะวันอังคารเนี่ยรู้สึกว่าคนเยอะมาที่สวนเชียงธรรมไม่เยอะถ้าพูดเปรียบเทียบกับวันเสาร์วันอาทิตย์ไม่เยอะ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 ละงับพายมีครบหมดทุกอย่างในยาเนี่ยนะมีแก้ปวดมีแก้อักเสบหลวงพ่อก็เลยเลืองเอกฉันฉันเมื่อคืนนยนฉันยาตั้งรวมกันละหเม็ดพอน้ไม่รู้ยาอะไรบ้างแต่นเชงที่ว่าเนี่ยนะจะเ อ, อ, อ, ยอย่างละเม็ดละเม็ดละเม็ดไข้ไข้หว่าส่งพระยาโอสถไปตีทหารพระยามัตจุราชเหมงอนั้นท่ะ ส่งรพระส่งพญาโอสถพญาเพรศเหมือนกั น, นะทหารพญาโอสถพญาเพรศไปตีทหารพญามัตุราชตอนรูกรู้เสียวเขาถอยเหมือนกันนะอถ้าเขาไม่ถอยหลวงพ่อคงจะไม่ได้มาฉันอย่างหานงันละคงจะไม่ได้มาพูดอย่างนี้แต่วันนี้แต่ว่ามีไหมมีอาการอยู่นะคล้ายๆกับมันปัป่นป่นปวนหยุหยัดหยุดห ย, ยัดอยู่อฉันอะไรวันนี้ต้องระวังระวังเหมือนกันนั่น่ะ แต่ลงพ่อฉันอะไรแต่ลุงพ่อเรียว่าคงเป็นอาหารทะเลมากกว่าเพราะนานๆเราไปก็เลยไปฉันพวกอาหารทะเลแต่ก็าไม่ได้ฉันอะไรมากมายหรอกลุลงพ่อโดยพากฉันไม่โนมากไปแต่ไปฉันพวกผลละมากรากไม้เสียมากกว่าแต่เมื่อวานนะคงจะเป็นสักชิ้นบางบางชิ้นน่มันอาจจะมีะเป็นพิษพอทานเข้าไปมันก็คงจะทำพิดทำภัยขึ้นมา เ, เมื่อวานเนี่ย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 แล้วก็เป็นเป็นตอนเนื้อไปผ่าตัดแล้วก็เกี่ยวกับสมัยก่อนเเคยถูกตะปูอะไรกระเด็นเข้าตาด้วยมันก็เลยประดงประังพออายุแก่ขึ้นมาเลยก็มันก็ประดงประังเข้ามาท่านก็เลยไปผ่าตัดมันก่อนแต่เช้ามืดพอกลับมาเดนะินท่ามันปวดเลยเนี่ผ่าตัดตามันปวดทั้งโอ้ปวดปวดปวด คุณชายปั๋มก็อยู่ที่นั่นใช่ไหมเหม็มักกาทายกอยู่สวนแสงธรรมบอกว่าหลวงปู่โปทำไมหลปู่จึงไม่แยกเวทนาออกจากแยกเวทนาออกจากกายแยกกายออกจากเวทนาแยกเวทนาออกจากจิตแยกจิตออกจากเวทนาทาไมหลวงปู่ไม่ทำหลวงปู่ก็พูดไม่ออกเหมือนกันหร <laughs> งพ่อว่านะน่ย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 ขนะสิฉีดจาชาบล็อกหลังขณะนี้ผมก็ยังรู้สึกพอสมควรอยู่เงนอันนี้ให้ฟังฟังเอาไว้นะคณะสัทธทายาทโยมลูกหลานนะให้ภาวนาสรุปแล้วก็คือให้ภาวนาร่างกายสังขารนี่ถึงอย่างไงมันก็ไม่ใช่ตัวตนของเราแต่มันแยกแยกยากเหลือเกินเพราะใจของเราเนี่ยเข้าไปแบกเต็มที่ไลแบกร่างกายนะถึงจะบอกว่า